บน่นคอะแล้วพ่อไม่ไม่เห็นแล้วพ่อก็คิดถึงไปไหนก็พิสัยสีถ้าแต่คนเดียวอ่ะถ้าแล้วพ่อก็เดินนี่ก็มาก็บ่นว่ากินข้าวไม่อิ่มเหมือนกันเพราะว่าไม่เหมือนอยูู่กับเพลิ น, นเหมือนกันคือเหือนเหมือนพ่อยู่กันนั้นเรากินข้าวอยู่มีนะแต่บ่นว่าเพราะว่า สองคนน่ะมันยังไม่พันพวกคนหนึ่งด อ, อกพวกคนหนึ่งเนี่ยเหน่ยมไปไกลแล้วก็ยังยังไม่อีกมเลยก็พานั่งอยู่นั่นแหละนั่งกินอยู่นั่นนี่เขาไปคิดในบางวันนะบางวันนะตก็คิดกิงก่อนก็กิงแล้วก็นำส่งแลง้วก็ถึงบ้านอตามเวลาไปเจอกันก็ไปรับเอาทุกวันทุกวันน่า เมื่อจองพ่อตายเวืเราไม่รู้จะจะไปอยู่ที่ไหนคิด อ, อยู่ในใจอยู่นี่ว่าจะไม่เห็นน้องพ่อแล้วก็คิดกินได้นอนบางทีก็นอนไม่ค่อยหลับ ด, ดีแต่นาดเรเล็กๆใกล้ๆลลกี่หกค่อมนั่นแหละบางทีก็หรค่อมค่อยได้นอนหลับนอนสองามชั่วโมงก็พอมาทาวัดแล้ว นอนก็ไม่ค่อยก็้านะ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยไม่ค่อยหลับดีหลับแล้วขันตื่นขึ้นมาก็ไม่อยากนอนอีกละคิดเห็นงพ่อทำไงถึงจะได้เห็นอกีกก็ท้าทายพระด้วยจะไปอยู่เป็นในที่เตงหลวงพ่อนี่ยมันเป็นเหมือนอวลวพ่อลยน้อคิดอยู่นั่นและนั่นะมันเป็นอย่งนั้นก็ละไม่เป็นไรขอให้ดีถ้า นั่นแหละน้องพ่อป่วยมาเลยนะพกไปว่าอย่าด่วนไปได้น้องพ่อให้ผมคอยมือไว้ให้มไ้ก่อนผมก็ไใจเหมือนันเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงอันพอหลวงพ่อตายี่ยพอวันนั้นอ่ะเขาเอายาไม่รัพ่อกินกินลยนพ่อยาที่โตเป็นแบนี้เด็กแก่จงรู้เนม่ยว่ากินน้ำสาอละลายมานเอามากินดีกินว่ากันเนีเขาวา ท่กินมนหายันน้องพ่อกินแบบเจ้านี่นะเพื่อนเบลน้องพ่อเนี่ยทานก็ไม่กินเด็กนนยนังไม่มาไปเอมามามากไหมมีเอามาไม่พอเต็มปวดหรอกเอามาให้กินก็เองเดี๋ยวน้อพ่อว่าเป็นเจะคิดแต่จให้กินแต่บางทีมันหายก็ให้เขามาให้กินกินแล้วพอพอกิงเนี่ยตอนคิดว่ากิม น, นมาก็ หลวงพ่อก็มาว่าเนื้าเห็นหลวพ่อว่าติดว่าว่า่งแต่เรายังไม่ตายเป็นไงหลวงพ่อเราเนี่ยดีขึ้นไห่ถามอาจารย์หมดทั้งหมดเจ้าเรื้อว่าอะไรหมดยังไม่ยุว่าไม่แต่ก็ท่านตายเลยว่าอะไรหมดหมดไปดหลวงพ่อเ้าหมดแ้วหมดไตเนื้อไตไตเรา ตายแล้วติว่าตายแล้วโอ้ยหลวพ่อจะทำยังไงดีนะนั่งมันน่ตามันออกว่าจะไม่ร้องไห้หรอกมันจะว่ามันออกเนี่ยไม่คือถิ่นสงสารคือตกอกตกใจสงสารหลวงพ่อโอ้เกิดไขึ้นมาเนาะเฮ้ยเราก็จะตายเหมือนกันเนี่ยไ g แล้วก็เลยแต่ก่อนเราจะหลวงพ่อเนี่ผมเไเนี่ยเก้วในใจบอกเรือนใจนะบอกเรา นะ ค, ค่อยค่อยค่อยอยู่ไปถ้าค น, นถ้าเดียวไปเห็นท่านนํำบ้างเมื่อไหร่ก็นําตาออกมันไม่ต้องใช้าน้ำแต่มันไหลออกไม่รู้ออกทำไมก็มันกเก็บน้าตาอยู่ไในนี่วม่เคยมันเคยจะไข่ร้องไห้กับคนีนคนตายเนี่ยคนพ่อพ่อตาเ น, นี่ไม่ได้มัน้องกห้งงไม่รู้ว่าจะ ไปอยู่ที่นี่มันผปาของพี่พระน้อยเนี่ยท่านนางเจะไปอยู่ที่นี่คิดอะไอยู่แต่ว่าิดว่าพาเราไม่นางเกศจะได้ไงใครฟ่างก็ช่างหวังมันไม่ต้องไปดูไม่ต้องวัใจใส่ไม่ต้องอไม่ต้องม่งใจมันบอกจะฟ้องเองเราก็จะใจเหมือนกันเกิดวันนี้มันมไม่ไม่ไม่อยู่รได้แต่คนออกมีแต่คนจะตายนะ่ะอ นี่ตัดถิ่นประหารทุกคนอยู่เนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ถึงขั้นแล้วก็เนไปไม่ได้ไปอะถ้าเมาถึงเมื่อไหรก็ได้ไปเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนคนที่พี่เพื่อนไปขั้วนี่แหละวันนี้ก็เคยใจคิดใจมาพบเห็นเป็นแล้ก็มันที่เอาใจแล้วก็มันก็ดีใจอยู่ืนใจตัวเองว่ามันโปรตายมืาขั้น มันจะอยู่เหนือนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีอะไรจากนั่นดอกคือมัาในโลกเนี่ไม่มีอะไรจะข้างโลกไม่ว่าตัดเล็กตับน้อยเมื่อป้องตายไปหมดเป็นตับสานเกิดอะไรหลายๆอย่างมันก็จะตายเหมือนกันไม่มีใครแต่ข้างโลกได้แต่วันดีเนี่ยบางอย่างหนึ่งกน่ะมันดีกว่าคนวันตับนั่นเพราะว่าเราเนี่ยมันคิดไปอะไรแล้วก็เห็น าตาปตะเภทปฏิบัติเนี่ยก็คิดน้อยอกน้อยใจกันแต่ก่อนพอทีแรกที่เจรีแล้วก็เรามาต้องใช้ตกใช้หยุดไม่ต้องรอกนะบอกบยกไเกลางคืนก็นอนคพีดอยู่นั่นเลยคิดเห็นมาดิวิเดนเซ็ทขาเนี่ ย, ย, ย, ย, น, น, ยน้ำพานไอ้ว่าจะไม่ออกแล้วก็อย่างไรเพจบางทีก็เพจเกิดหมด หม ด, ดวันจังคำไหนัไม่รู้อะไรมาเทศนนนน่น้หอหรพ่อไป่หนักหนึ่ะมาไลน์น้องอ่คผิดไป อ, อ่าเราอ่านผิดในนี้ก็ทางตามไม่ต้องไปไมยใจนะก่อสองพ่ออยู่ที่นั่นนะไปอยู่ท่านเวลาแล้วท่านป่อยป่วยท่านก็นอนหลับ พ่อไปตรวจก็ไปนั่งอยู่ข้างก็ดูมองดูบางทีกันวคันคันบันเน่ดีไม่เป็นมากแต่เนี่ยแล้วก็เห็ น, เ, นเห็นว่าเห็นพ่อหลวงพ่อนั่งเล่ยนแต่มา ด, ดูดูไปดูมาแล้วงพ่อผิดทางเออยังละให้หลวงพอเบิ้งกันแน่ท่านใหพ่อเขาไปทา้งจังว่าตังจังว่าประมาณกับ ทขามองเนี่ยท่านบุกมาเห็นมาเห็นอยู่หลวงพ่อก็ลุกขึ้นมาพอดีตรงลุกดูหรือท่านกรองท่านอยู่ท่านก็หัวหัวแล้วก็มายกมือขึ้นยกมือไหว้เห็นแล้วก็อันยกมืออยู่ยกก็หัวหัวแล้วก็ยกมือยกพ่ให้เข้าใ่าหลวงพ่อว่า มาดองมมาดองผมเนี่ยให้ทําอย่างนี้ทุกครั้งนะท่านอาจจะว่าอย่างนั้นทีออในใ่อยู่ในใจตัวเองนะโอ้เพราะใจนีของหลวงพ่อนี่เนั่งยืนยืนนี่ก็เก็ไม่ไม่เห็นไม่ให้ท่าน ม, มาหอวใจถ้าเราไม่ไปทําอะไรกับให้เรานตัวพออย่างนั้นก็ไอ้หลวงพ่อนี่ใครใครมา อยู่มหาเนี่ท่านก็จะดูทุกๆกคนหนึ่งคนใดไปท่าหนหลวงพ่อเนี่ยท่านพ่อไปไปฏัติธรรมะให้เห็นเนี่ยท่านจะใจเนี่ยเบิก บ, บานตื่นขึ้นมาเนี่ยว้าวเลยเนยถ้าหลวงพ่อมันเดินอยู่แล้วว่าเดินอยู่นยจนกองอยู่ น, นั่นน่ะท่านจะจะหน้าตื่นขึ้นหน้าบานไม่เงเมาได้ฟื้นมาแล้ว หลวงพ่อเราไม่ได้ไปถามอะไรกรรมอาจรารย์เนาะอาจารย์มาหลวงพ่อเราเนี่ยมาเดูอย่างนี้มาเลกไม่เข้ามันเราเราเราไม่ค่อยพอใจเท่าในหะน้าผมว่า ม, มานั่งเนี่ยเรามาเดินในกรมมาตั้งจังหวะเนี่ยท่านจะพูดจะพูดใสนะเนี่ยผมว่าคห้ท่านรับให้เรามาเนี่ยมากราบมาไหว้ท่านเนี่ยเรามาคารนะวรเท่าท่านนะเราอยู่เนี่ย อาการเข้ามาอมาเล็นุ่มมพระที่อยู่ด้วยกันคเดินนีผมพก น, น, นึ้าพมันไม่รู้เ่าหานไปเหน็นั้องไปนั้นนี่นั่นเลยเพราะว่าพอมาเนี้ยนะ้องพอมาเนี่ยน้องก็จะให้มาเนี่ยจยากให้ไม่ให้ อ, อยู่เฉยๆให้นั่งมาเฝ้าในไหว้พระไหว้อะไรฝากหมดแล้วแล้วก็ให้คาาการนั่งตั้งจังว่า เคารพเราเคารพุัมันเอแล้ ว, พวเพ่อะ่ะให้เราท่านท่านได้สบายอูสบายใจท่านบอกว่าพระที่สิ่งพรมเรให้ให้ทัาความรู้ฝึกมาว่าถ้าเนี่ยว่าต้งแต่ท่านไม่ไปท่านก็บอกอยู่นั่นแหละเนี่ ย, ยในั่นแหละแ่ให้พวกเราเราก็ประษษพฤตพยายามเนี่ยให้มาทำเนี่ยนั่นให้ทำถึงเนี่ยแล้ว่าอย่าง้ว่นอนเองนั่นะเนี่ ย, ยท่านก็ เห็นเรามาทำวัดมาเนี่ยท่านจะได้ปกป้อง เ, เอาพลังาความดีไปให้ท่านท้ายก็เอาความดวงจิตเดิมใจมาหาถึงเราเหมือนกันท่านก็เคารพไหว้อย่างเทบเราเป็นโยมแน่เลยหาคนเหมือนหลวงพ่อ น, นี่ไม่หีหรอกตั้งแต่หลวงพ่อมาเป็นลูกศิษย์เนี่ยไม่เคยเห็นหลวงปู่หลวงพ่อท่านมาทำความผิดอะไรให้เห็นตะกี้เลย คำพูดคำจาทุกอย่างหาในอยากอเราบุกผ <If> ิดบูกหาเนี่ยคนนั้นคนนี้ไม่ดีคนนี้ดีไม่เคยยกน้องบุกไม่เคยด่าบุกแต่เต่าไม่เคยบ้าอะไรเพราะคําผิดเท่าไรท่านก็ไม่ด่าเขานี่แย่เอาธรรมะสอนสอนก็สอนดีๆเนี่ยหน้าเพ่งอกคุ้มไป ท่านพิจารณาไม่กระทาไม่ให้มีเรื่องท่านไม่ให้มีเรื่องไม่ให้เกิมทุกเกิดขึ้นแก่คนทุกๆคนเลยอจิต่ท่านตรงแล้วกันไม่ไม่เคยเห็นท่านโมโหไม่เคยเห็นทน่เว่าเรื่องคนนั้นคนนี้ว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่คนนี้ดีท่านไม่เคยไม่เห็นว่าเลยเป็นธรรมชาธรรมดาไปทุกอย่าง คารไปอยู่จะกินจะหลับจะนอนจะเดินเหมือนได้แค่ไห น, นก็เหมือนกันไม่เคยไปติถิ้นทาคนเรื่องเรื่องคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ไม่เคยมีดุติดดกหาก็ก็เหมือนกันเไม่ค่อยมีคนจะด่าจะว่ากันดอกมีเป็นแต่ค น, นเอาหวัวขีดให้กันเป็นอะไรนี้นี่ น, นัย่ยผมไม่ต้องไปเอาเรื่องมาเล่ากัน น้องไปพูดเรื่องกันมีคดีกันแบบพษษิจารณาไปนี่หลวงพ่อว่าโอ้หาที่อยู่ยากอะไรหลวงพ่อนี่มาตั้งหาตีบวัดห้าวัดหกวัดตั้งแต่ตั้งแต่หลวงพ่อก็อยู่มาไปอยู่ที่ไหนกว่า อ, อยู่จนท่านคนไหนที่เห็นหลวงพ่อไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อยากหนี แต่ให้เลือยู่ที่นั่นให้ปฏิบัติด้วยกันอยู่ด้วยกันแต่ว่าน้องพ่อไม่ไปอยู่หลายห่งลองลองมาดูที่ไหนมันดีที่ไหนมันไม่ดีเราจพ่อคิดว่ า, าบางทีเราอยู่ที่อื่นไม่ได้ก็จะไยทิดไหนสิ่นั้นเนีย่ยไปเห็นที่ไหนก็ผมมาขอตายด้วยเนอะคิดโอเคหลายตัาง จะเป็นบอกอะไรกับของกับของบ้านเพ่ที่ไหนที่ไหนที่กันถ้าไม่ดีก็ก็ไม่ว่าอะไรเขาดอกแต่ว่าก้ามีมีคนไปหาอย่างเงี้ยที่นี่วัดนั่นบั้นคนน้ำนํามันมเลียกเอา้าแล้วว่าจะอยู่นั้นทีนั่นกับคนนั้นก็ไม่เรียกอีกเลี้ยงเกินไปที่วัดหลวงพ่อท่านท่าไม่ทํากับหลวงพ่อหลวงพ่อก็ม่อยากอยู่เพราะว่า บวชมาเป็นผู้เฒ่าผูแ้แก่อายุแก่เนี่ยจะทำคุณงามแต่คุณงามของดีทิศตื่ไม่ใจเจ้าของอ่ะนั่นแหละไม่อยากจะให้คนผิดกบผิดใจนะไม่จะให้มีเพาไม่ชอบเลยคนไม่ิดีูกกันเนี่ยเอาคนเราเรื่องเอาเลา่กันหีือคนไม่ทิดถูกต้องตามพระธรรมวินัยเนี่ยหลวง พ, อพอ่อไม่อยู่ไม่อยู่เลย ไปดูไปเชนอาิตยของอาิตยอยู่ให้อยู่แต่ว่าไปไปัหนก็หนีไปทั้งสินมันเป็นอีงนั้นแล่เน้นเท่วันนี้น่ะทาแพ้มาทางเหนาหเหนานี่ถึงทำวนกันทำอะไรก็ทำการทำงานก็ไม่ไนั่นเลยทำช่วยกันไปหมดคนทำาล้วทำทหน้าที่ทำนั่นเนี่ย ทำอะไรก็ทําเสร็จเอาไปร็จสุดมันไม่ได้ทําำยังไงทำแล้วไปแล้วไปทำออื่นเแี่ยไปแต่ว่าไม่มีเวลาว่างพวกนั้นพระมันหลายบ้านวัดมันใหญ่แต่เดี๋ยวอนะันนั้นก็เสียมิโหมดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเป็นอยู่นั่นแหะโอ้เอาใจใส่หมดคูบาอาจารย์ก็อสอนดีให้ช่วย การช่วยงานไปเนี่ยมาบอกวาวันนี้ไหนทำงานนั่นนะทำนี้นะมันมีหลายหมวดหมวดหนึ่ง่นนงวรหนึ่งทำมาหนึ่งหมวดหนึ่งทำมาหนึ่งอ็น่าน่าสงสารนี่หรอกก็คนงานเนยเอาใจใส่ทุกคนเลยมาอยู่นี่มันพังสันเ่ยกันไม่มีคําคําว่าไม่ดีนะั่นน้อยน้อยเก็ท่ทีนั่นแหะก็ ดีอย่างหนึ่งไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรกันไม่ปริศากันไปผิดใไปถูกดูกันแล้วก็เล่าไปอ่ามันเป็นอย่างนั้นพวกเรานี่ก็เหมือนกันมาปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยเอาตัวเลี่ยไปให้เขาเป็นตัวอย่างมาเรามาวัดเนี่ยเอาตัวที่เรามาอยู่ด้วยกันนี่แะไปทําอยู่เหมือนมาโ น, น, นาจิตใจมันออามาปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยให้มาดูจิตชีวิตจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นเนี่ย อย่าไปดูคนอื่นด้วยตัวเองอเพราะน่ะเราเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องจากความหลงยิงด้วยความหลงเกิดมาเนี่ยเกิดมาด้วยควมหลงเพรามันผิดหรอกมันไม่ใช่ใอะไรมันจะทําให้าเพราะเราโง่ก่อกเพราะเรานะี่ยน่ะไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรเชื่อตัวเองนี่มันหลงมันไปดูแต่คนอื่นไปเอาอย่างนั้นมาไปคิดไปเอาอย่างนี้ไมคิด ไม่ว่าไ ม, ไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่าใ ค, ใครทั้งหมดเหมือนกันนั่นแหละถ้าคนไหนนะไม่มาทําแบบเรานี้ก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละจะไปทําอะไรก็ไปดูแต่คนอืน่นอ่ามันก็ไม่รู้จักชีวิตจริงของตัวเองเพาว่าเราเนี่ยเป็นหน้ามาสงสารไม่แพ้มาสงสารคนเนี่ยลองพอมาปวดที่แดงให้ ก็เห็นพระหรือเห็นดองมาพปฏิบัติเนี่ยไม่เอาใจใส่หลานเนี่ยนลวง่อไปจับแขนเราให้มาประทปฏิบัติตลอดเนี่ยขั้นม า, มาเรามาไม่มาปฏิบัติเนี่ยเกิดมาเล่นเกิดมาทาําลายตัวเองเนี่ยทําลายตัวเองเนี่ยทําประเทศชาติบ้านเนียงจะให้ี่ายรับภพเดี๋ยวร้อน เออให้บุไม่ดีไม่มีความตองดองกันทำอะไรก็เอากลัดเอาเปรียบกันเนี่ะมันสร้างปมความทุกข์ให้ตัวเองแล้วก็ไปทําทําความทุกข์ให้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราอมันเดี่ยรเบนมันไม่ค่อยมีความถูกเราไม่ดุดัเตืนไปกระทือกระตือไป แลเราไม่คิดเห็นว่าเราตายแล้วเราจะไปที่ไหนเราก็ไม่คิดเห็นเลยเนยี่ยเกิดขึ้นมานี่เราจะไปที่ไหนเราก็จะไปทาาาําอะไรจะไปอยู่ที่ไหนตายแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนไม่คิดเห็นเลยพอมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันเห็นทุกอย่างเลยถ้าดูเต็มไปเลงนะที่แรกนยมันไม่ดูจกักไม่ดูจักก็ว่าแต่แต่อันนั้นมันไม่ดีอันนี้มันไม่ดีนดี่ไปคิดนี่ไปก่เนี่ยตัวเส่นตัวท้ามาตบน อ ย, อย่านั้หละแต่กว่าเราก็ามาดูตัวเองนาเนี่ยมันจะอดทอนได้ไหมสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราเราเคยมาอยู่ความรู้สึกเนี่ยมาเ ต, ต้นมาเตีงเนี่มันเห็นได้เป็นไใจไหมเดาไม่เคยดูเลยไม่ได้จะไม่เข้าใจหลวงพ่อเนี่คน ไม่ค่อยไม่เห้าคนเหตุห น, นาเัมันเด็กห น, น, น, นาขยาาบรรดาดับมันไม่แน่นอนมันเือนนึกถอยากตั้งแต่เด็กๆไม่น้อยมามันเป็นมามาตั้งแต่เด็กนูอนอ่าไปติดเข้าไปดงเดียนนี่คนมาผมเห็นเนี่ยตีเกากะทุ่งะเือไปในปัสสั ว, วตายก็ตามคันถ้าได้ลงมื อ, ลอมแล้วไม่กลัวอะไรยิ่งนีสื้เอาเนผู้ยน มันใหญ่ก็ตามออมาดังนันเป็นกายเป็นนิสัยเป็นค น, น, นเรียนบันนี้พอมามาพฤติเป็นแบบนี้คเห็นกรรมของตัวเป็นเช้นแดียร์เป็นไปเล็กไปน้อยพอมาเห็นปฏิบัติบัดน้ำหลงพ่อเนี่ยพอหลวงพ่อนั้นเนี่ยท่านได้อสอนอยู่ที่บ้านกุลน้ำไผ่ทอยเ จ, เจเดจาระหลวงพ่ อ, อจะออกอศิษย์เกษตรแล้ว ตรวจตรวจที่นี่แนะหละไปตรวจกับเจ้าคณะจังหวัดอยู่ทนะี่จังหวัดชัยภูมิมาเนะี่ยคณะจังหวัดะมาเห็นว่าระยะต่อพามานันนะไม่เห็นน้องข้อได้หลายปีแล้วเพิ่งมาเห็นนะโอ้มาแต่งแถวอะไรโนมาคิดถัาพวกแต่ล้วนมนีกำไรแล้ว่ามาเห็นกัน ก็เนวก็วนไปอยู่ท้องร่วงศิษย์ใหม่ๆดีนี่นหละไปอยู่ท่านนั่นและไปอยู่แล้วก็ไปอยู่แล้วก็นั่นแหละมามากระพิบกระแบบท่านนะที่ไปปฏิบัติไปใหม่เน่หลวงพ่อเน่หลวงพ่อที่หลวงพ่อเนี่ยทองพระคำพ่อเขียนเนี่ย เนี่ยท่านมาเกินพูดให้ฟังพูดให้ฟังทำมาหลายนี่แหละที่มันตนสนใชที่สุดนี่แหละเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยเนี่มาเห็นคนเทศมาเทศให้ฟังอ่ะเนี่ยคือ้องพ่อท่านไม่ไปพูดเรื่องใดพูดอคนเรื่องตัวเองเนี่ยเรื่องตัวเองแหละท่านเรื่องนี้เนี่ยเพื่เรื่องคนดีคนไม่ดีเนะที่เคยเป็นคนนี่เป็นมนุษย์ เป็นแบบเดรัจฉนเป็นเกตเพื่อนอสุรายเป็นผูดได้ฟังหมดมันเป็นอย่างนั้นคนนั้นมันเป็นต้นคนนื้นเป็นต้นคนไป็นนี่มันก็เกิดมาเนี่ยมันถห็ว่ากูเดือนไร้ยัยอยู่นี่แหละท่านอามันได้ได้ไม่ได้นี้แต่ไหนี่หน้าตาเป็นคนยังไม่ได้ฝึกมันด้หัดมันก็เป็นคนตะกอนขึ้นวันบ้านเท่านั้นนี่วนกวนนั่นแหละกวันบ้านเหมือนเหมือนมีตะกอนกร้ตะกอนขนมนั่นแหละ มาเกลือเราเกวือนีน้่มีสิ่งหลา ย, ลายอย่าเอามาไว้ภาชนะอันเดียวกันแล้วก็จะอยากให้มันผสมมันดนแล้วก็ไปแล้วก็เอาไปใส่แล้วใส่แล้วกวกนวเอาน้ําใส่เกลือให้มันเข้ากันอ่ววาไม่ก็เป็นอยู่นั้นแหละให้เรียกเอาเนี่ยมาเป็นคนเนี่ยทานมา ถ้ายังไม่เรียกคนนี่มันก็จะไม่ไม่ไม่รู้ตัดมาดูสิตัวเองทา่านว่าพูดเปรียบเทียบให้ฟังให้ฟังเออเกิด เ, เป็นคนเนี่ยเออเป็นคนเนี่ยมันหน้าตามันคนที่จิตใจเนี่ยมันเป็นอังไงก็ได้หมดแต่ว่าเป็นต้องมาพูดโน้มน้ามมันเป็นมนุษย์มนุษย์ก็เป็นที่จิตใจสูงลดการผ่อนผันมือแล้วเอารัดเอาเปรียบใครท่านพูดแบบนั้น ไม่ยิ้มาพระยาบาทไทยความใหญ่ๆก็เล็กๆลงความไม่น้อยก็หมดไปท่านผู้นี้ฟังแล้วก็ทานผู้นี้ฟังเป็นสัตว์กเป็นเกตเป็นเกตนี่ก็คือนับเล็กขโมยน้อยหรือว่าเป็นเกตยูโ เ, เ, เ, เ, เ, เ, เป็นหลายหลายอย่างหลายอันท่านพูดให้ฟังหมดนะแต่วัดเจ้าของเป็นคน ติดหนาดมันก็เลยจําไม่ได้่ะแต่ว่าเข้าใจว่าเราเก็ฑ์ทุกอย่างเลยเป็นตับเปด้ซาร์นเป็นเตจเป็นตับตันรกเป็นอสุรกายตาละพัดตอนนั้นเป็นอนั้นเป็นนี่บอกท่านพูดในฟังหมดเลยทหไมเห็นท่านพูดในฟังนั่นอะมันเป็นตัวเองมันเต็มบัสเลเป็นทุกอย่างเนี่ยเมื่ออาจารย์พระเนี่ยไปเห็นเราจะทําเต๋อย่างไหนจะค่อยไม่รู้จักเมื่อพิจารณาก็ไม่สับสนอืมแล้วพอ นั่นหละเดี๋ยวมันมีจริงไมแ่แต่ก่อนไม่เคยว่ามันจะมีจริงอ่ะผมใสอยู่นั่นอน่ะไม่ว่าพูดท่าในฟังแล้วับโอ้คนเ้อง่างมันเกิดมาเนี่เนาะถ้าเราไม่มาแบบนี้เนี่ยเราเกิดมาเล่นมาทําลายตัวเองถ้าเป็นเนี่ยมาเกิดนี่มันถ้าคนไม่มาฟุตบัลต์นี่ก็มันไม่ได้เกิดอีกง่ายดอกคันทํามันไม่หมดกับหมดเยนะ็นอ่ะ มันจะอยู่ในนามโมนเวียนไหวไปเกิดอยู่นี่เนี่ยจากจิบจาดกรรมเนี่ยมันจะกระมาเกิดเป็นคนอีกทุกอย่างทั้งทพ่ไน้ฟังก้จับอกจับใจแล้วพ่อบอกว่าหาโอ้ยพ่อเอาดอกไม้ววาไนวะดผิดเป็นทาอี ก, อกต่อไปได้แกไใจตายทิปสิสนุบเข้าทามบัดสนอกทามบัด ก, กุ้งกุ้งทางบัดกุ้งกิ้้าวเกิดมากตเนี่ยทีหนี้ บ, เเบรเทศแทบจะ มันบอกมีไะเลใไเขาเขาหรอกมันก็เป็นเองเดือดเนื้อนรกก็เป็นเองมันเดือดเขาวัดคนเิียาจนแล้วเขาเป็นเขาเป็นแล้วเนี่ยเราก็จะติดเป็นบดีมันถีได้เกิดอีกไงหรือก็ทรมานไปใส่กรรมไปเรียนเหมือนเดียววันเนี่ยเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งที่บดอายึดไปซื้อได้หายู่หากจีบออกบ้านไปตาบอกแหวกบอกแหวกบอกแหวกตาโก้คล้ายเจ็บตาแย่ตาคมหนากระเทะ โอ้ยได้ไปพูือขั้นหลายๆทีเหนโอ้ยใจรัดใจดีเลยนี well, ่นว่าได้ที่โอ้ยไปบ้านอีกลูกปีรีเขาก็เป็นนอกเสียแล้วมาเคลดทอดยื่อดเต้ากันละจมจะสองหาิีโนเป็นแค่ไม่ยกของมเนี่ยเป็นแบบเอาของท่านนี่ยเป็นยุ่งทัานเลยเขาเปนอะนี่ยขั้นถ้าหาว่าเราไม่ มาประพฤติปฏิบัติน เ, นนเนี่ยเรานัเนี่ยเนี่ยอยากเพื่อให้คนฟังจะให้คนมารู้จักความเสียหายที่เราเกิดมาเนี่ยเแต่ถ้าตายไปแล้วนั่นเราจะทํายังไงเราต้อจะดีนั่นจะได้นั่นกับนิยมควรถูกถ้าเราอยู่เนี่ยเราติดนิสัยแต่ความลุกมาตัวเองเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนไปเป็นคนเนี่ยมันก็จะลาําบากยากแค้นอดอยากเพราะหน้าอดีบล้าน แนวข้าวไฟเหนือก็มีความอิจฉาพยาบาส ต, ต้องร่าต้องผานกันไปไม่มีความสุขเนี่ยเป็นอะไรเป็นหมดทุกอย่างเป็นทีก็สร้างขึ้นเองเป็ น, ปนอะไรอะไรทุกอย่างความอยากต้งเติมทุกอย่างเราเรียนเรียนดูทุกที่ไหนก็ว่าตั้งแต่เป็นวัฒนะบาลมีตัวไม่ดีไม่มีมันเป็นอย่างนี้นั่นมันไม่รู้จักเนี่ยพอมาเข้าใจอันนี้เลยไม่อยากผิดนะ มันปฏิบัติธรรมะเน่ยครูบาอาจารย์บอกถ้าอยากจะทําตามครูบาอาจารย์บอกนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นมันมันก็ไม่รู้เราธรรมนนะน่ะ อ, อยากจะรู้เลยแต่ว่ามันต้องรู้แน่นอนอย่ไม่เอาอะไรมาค่อยๆค่อยๆทําไปเอีอะไรเกิดขึ้นมาให้เราเห็นในเทือก่อนเราเป็นผู้เป็นทําอะไรเกิดขึ้นมาเป็นผู้เป็นกับเขาไปหมดเลย อดีก็ดีกับเขาจอบไปช่วยเราเขาไปกินไปเล่นไปที่ไหนก็ตามมันก็เป็นหนึ่งอ่านั่นแหละลเราไดาไา้ห้ามเขาเรียกเขาอะไรเกิดมาได้ห้ามไม่ให้มันเอ่อไม่ให้ไม่อยากให้มันมาอยู่ไม่ให้มันเกิดไม่อยากให้มั น, ม น, มนเป็นอ ย, อย่างไร่นีไปไกลอ่าแล้วก็ก็ทําอย่างนั้นแหละทําได้เรื่อยๆไปแต่จิตไปมแล้วก็ไป อย่างที่คุณยมคุบอกพูดในฟังน่ะาบางคนน่ะมันก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหะยมแต่ว่าเรานี่มันวัฒนธรรมีร ม, มันไม่ค่อยดีเท่าไรเพราะว่าตั้งแต่เป็นนักเรียนไปเรียนหนังสือมันก็ไม่จริงไม่ไม่จริงคือเขาคนที่เคยเรียนหนังสือเก่งๆนั่นน่ะมาทำแบบว่ามีนเขากระเด้งง่ายๆแต่คนที่ถูกน้าที่ต้องออนั่นเนี่ยต้องเอาเวลาเป็นเลยนานนานนานท่าไหล็กประาน ไม่ไม่ต้องไปเล่งหรอกให้พยายามให้มีความพยายามมันจะค่อยเข้าใจเองอย่าไปเข้าใจว่าอันนั้นจะมาช่วยจะเข้าใจว่าอันนี้จะมาช่วยมันมีใครมาช่วยหรอกเนี่เราต้องทํำเองทั้งนั้นแหละนั่นแหละาต้เราพยายามอย่ามาทําลายเจ้าของเกินมาทําลายเจ้าของแน่นอนอย่างลวพ่อเนี่ยแต่คนอื่นจะคิดแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนีก็เราเป็นไปจะคิดออกแล้วพ่อนี่ เรีนมานานเนี่ยนานเนี่ยเราจะทำไงจนจะได้ดีอ่านมะาเนี่ยทําแล้วเนี่ยคือมันมันอะไรท่าเกิดก็คือความคิดเรานี้แหละมันท่าเกิดจิตแต่ชีวิตจิตใจของเราเนี่ยให้เราพยายามดูตัวเองดูเอาใจเคลื่อไหวให้ไปรับดูใจเคลื่อนไหวให้ใจลูกใจลูกเนี่ยให้มันทํามันมันถูกถ้าทําให้ถูกนั้นทําอยู่จนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้หรอกมันมันทําให้ถูกจิตไปของเรานี่ก็เหมือนกัน เอี่ยให้ค่อยๆทําดูตัวเองกันเคลื่อนไหวตัวเองเนี่ยอย่าไปลืมมันทันยาวว่ารูปก็่าน้ำแล้วก็คือกายกับใจของเราให้กายกับใจน่ะมันมีความสมักสมามีกันอย่าให้มันหนีจากกันพอวันนี้กันกันเรียกมันเข้ามาเรียกมันเข้ามาเออเขาดึงไปเราดึงมาเขาดึงไปเอาดึงเขาเราดึงมาเนี่ย น, นี่บางทีก็ดีบางเทีวกว็ไล่ นั่แหละนึกว่าเจ้าเวลาดีก็เข้าใจว่าโตรู้สัมมาแล้วมันหายทุกข์แล้วอย่างนั้นนี่แต่ที่จริงแล้วนั้นแ่ะมันมาหลอกเราที่เจยๆนี่เป็นแนวหลอกเรานั่นนหละมาปฏิบัติเนี่ยเอี่ยปเดี๋ยวดีปรเดี๋ยวได้แล้วเท่าคิดว่ามันจะไม่กลับไปมาอีกถ้าทายมันถ้าทายไม่ให้มันเข้ามาเข้ามาไม่กลัวหรอกกันไปก่อนนะพอปั๊บ พอซับเลยมันก็ขาดออกไปเห็นซักขาดออกไปเข้ามาเข้ามาาแสดงก็เห็นเมื่อเมื่อขาดออกไปขาดออไปแล้วมันก็าน้ํามันจะค่อยเข้ามาหาอีกหาอีกเนี่ยเพราะว่าเรามันจะได้ดีขึ้นมาอีกนี่ว่าต้องเดินอยู่ตั้งนานหาเยอะตั้งเป็นวันก็มีบางทีสองวันสามวันก็จะเห็นเยอะก็มีเอี่ยเพราเราไปเจนกับเขาเแล้วก็ถ้ามันม า, มาเนี่ยก็ยังได้สิ่งที่มันดีๆนั่นะนะขึ้นมา เกิดขึ้นมาแล้วก็เดินหา่างเดินหาอยู่มันก็ไม่ไม่เห็นน่ะเนี่ยเพราะอะไรมันไม่ไปไม่ถูกทางอะ่ะตามที่จริงแล้วอันจริงที่ผูกแล้วก็คือพอมันเข็ฆเกิดเข้ามาเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี้ยเราอย่าไปอยู่กับมันมาสร้างความรู้สึกหลงเราเนี่ยให้มันมาัมาบ้าเพราะว่าอันรติของเราเนี่ยมันน้อยยังน้อยอยู่ให้มันดูคนเดินไปเนี่ย เราอยไปเพ่งจะไปจ้องมันก้าวไปเนี่ยให้มันลู่เฉยไม่ต้องไปเพ่งไปจ้ามันไม่ต้องไปทํำลายมันไม่ต้องไปไล่มันดีไม่เต้าไปว่ามันดีถ้ามันดีขึ้นมาจะไปว่ามันดีมันตัวขอหกเราเนี่ยคือสิ่งที่เราหกหบนนั่นแหละอันนู้นเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้นะคือว่าให้มันเห็นเห็นแล้วก็เราก็อย่าเข้าไปเดินอย่ามาเดินมาเข้ามาเนี่ยปลาคาว์พตัวหา ในการขึ้นไหนเนี่ยอย่าพับรูอย่าพับลูเนี่ยอย่ารูอย่ารูอย่าลูเนี่ยเราไม่ต้องไปกาหนดอย่าไปกาหนดเนี่ยมันเดี๋ยวพับรูลูเดินไปเหมือนเราไปเรื่อยไปหนาเนี่ยให้ดูนะนะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาให้ดูให้ยิ่ใจเรานั้นให้ดูการขั้นไหนนี่ใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องไปดูเครืองพิสเดี๋ยวมันมันก็เห็นเองเนาะ ไม่บอกเนี่ยมันก็ก็อยเห็นเองแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านก็ บ, บอกอยู่พอเห็นปั้มเนี่ยแล้วก็ <S <S บางทีบใหม่เนึ่ยก็ไปเหนื่อยความคิดนะ่ะอมวดวันยังค่ํามันก็ได้เีนื่อยว่าไหนมันก็อยู่ในความคิดนะั่นแหละลับไปกลับมากลับไปกลับมาแต่เห็นคำดีเนี่ยนะบางทีก็ดีกับเพื่อเพื่อนกับมันเอเพื่อ อ, อยู่กับความคิดนี่แหละไม่ห่วงเหงาเหงานอนแล้วเพื่อเพืิอนกับมันอะ่ะมันดีมันม่วนมันม่วนมันสนุกดี แล้วก็ไม่รู้จักใหม่ๆก็ไปอยู่ในคลุ่มทินเนี่ยครูบาอาจารย์ภาษาภาษาไทยไงเนาะพ่ อ, อ, อมวนวมเท่แทะสบายพอไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรเนป่านนี้พอ น, น, นี่ยแหละมันก็เป็นไปอย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบางทีก็ได้บางที ก, งทก็ดีบางทีก็วันนี้ดีตอนตอนนี้กลางนวันตอนตอนเช้าจะหาเพื่อง พอออกจากเที่ยงไปก็มีแต่ความตึงตั้งน้าคันเอีคือโค้งลงเขานอนเช้าทำอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เราให้เราค่อยๆทาเออาชนะมันใหได้มันมีหมดทุกคนนั่นแหละเขาก็ทุกเหมือนกันกบเราเราก็ทุกเหมือนกับเขานเนี่ยแหละแต่ว่าคนให้อดทนเราอดทนเนี่ยสัาผัญมากคุ้มขยันขันแข็งนะ นะบางคนเห็นเป็นเนล็กๆน้นอยก็ไปหยุดไปหยุดให้มันไปอยู่ให้มันเราถ้าเรานานไปนานไปนี่ก็ค่อยดูจับไปค่อยดูจับน้องเพื่อนก็เองนะถ้าถ้าไม่อดไม่ทนเนี่ยกูจะพาเมืงเดิมอยู่ที่วัดนั่นแหละแต่กูที่พัไม่พามึองเข้าร่มเข้าอะไรเนี่ยท่านใดกูจะไม่กูจะไม่พับกูจะ พาเมืองเดินหนู่นี่ทุกเหมื น, นะนกนันเนี่ยเนี่ยเอาแม่ใจมาเนี่ยน้องพ่อเคยทําเป็นอย่างนั้นแต่เราพูดพูดตัวเองให้ฟังก็ อ, อยู่นั้นนหละตั้งไปตั้งมาติดใจนั่นอะ่ะดูในตัวกลมรู้สึกเนี่ยสองสามเก้ามันก็ออกไปแล้วบางทีก็เดินไปประมาณแตะหนึ่งนาทีสองนาทีมันก็มันก็ไปอยู่ขอไปกับไปแล้ว เป็นประเพาะเนี่ยถ้าเราไม่ดึงมาเนี่ยทําไม่รู้จักเนี่ยที่แรกเนี่ยหลงเป็กับเพาถ้าเราอยู่ น, นานเนี่ยพอเห็นเนี่ยจะยื่นกลับขึ้นมาเนี่ยมันยากมันสะกฤฤฤฤิดแล้วข้างสะกิดแล้วเป็นไงก็อดปาทําไปอืี่ยทไปนั่นแหละเนี่ยมันไปคิดหาอาดีตอนาคตตลอดไปกั น, นเรื่องนั่นเรื่องนี่มันไม่คิด ถ้านานมานาดมานี่เราก็ค่อยค่อยมาครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างเวลาท่านเพศนนี่ยก็วันนวัตวังให้ดีค่อยค่อยจำไว้จาไว้จา ไ, ไว้ยิ่งแต่มันเป็นอารม์เราขึ้นแบบนี้ท่านเทศน์ขึ้นมาเนี่ยเราท่านบอกไม่แก้แบบนั้นแบบนี้เราก็ค่อยค่อยลดดูไปเนี่ยวันนี้ก็พอตายลนะเห็นตายไม่ต้องหยุบแบบ น, นี้มันจะเป็นยังไงก็แต่ก็เป็น ก็เดินไปแค่นั้นเดินไปเดินไปค่อยค่อยไปดูไม่ไม่คูดกับใครไม่ไม่กับใครละไปพุดกับเพือไปเดินไปเดินลุเดินเดินดูคุณทุกความคิดเดินเดินระลึกไปเนี่ยไปเห็นความคิดเนี่ยเหนความคิดถ้าเราตั้งใจมีสมาธิจริงๆเนี่ยไม่ต้องออกหนีความคิดที่เดินยากกับไปเดินกลับไปไปกับมาเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ย ให้มันเห็นไปเห็นอะไรขึ้นยิ้มหน่อยหน่อยพยายามดูตแต่ไปก่อนน่ะนิดหน่อ ย, ห น, อยหน่อยนกะถือว่าเป็นธรรมดาแล้วก็ไปเป็นกับมันไปเป็นกับมันอเป็นแล้วก็ไปอยู่กับมันเล่นกับมันนัสหลวลงประจิตอันของน้อยๆก็เป็นของใหญ่เอออันนั้นแต่ดมานี่เกิดมาเพลิดเพลิพนไปเรื่อยๆไปจนหลงจนลืมค่อยมาเดินเรนะื่อยะเดินไปเดินมาอีก กัจะมาค่อยเดินค่อยถื่อนค่อยเดินไปนี่ไนงะตัง้งให้มันมีสมาธิเดินเดินมานานเนี่ยเป็นอย่างไรก็ตามันจะค่อยลูเข้าลู่เข้ามันจะเบาสบายสบายดีท่านเห็นเินแล้วเห็นแล้วก็เลาก็เบ่งดูมันอย่าเข้าไปดูนะอย่าไม่ดูนะพอเห็นทับนี่มันอยู่ตัวรู้สึตัวรู้สึกตัวรู้สึกเนีย่นย อ่าล้วก็ค่อยสบายไปอันที่มันเกินดมันก็เบาเบาขึ้นเบาขึ้นมันก็ห่างออกห่างออกห่างออกแต่วันนี้เธอมาได้นะเนี่ยเธอมาได้อยู่เรายังไปจิตดีจิดช่วงอยู่เนี่ยเรื่องเนี้ยก็ไปทําไปทำไปทำไปได้เนี่ยขยันพวมรู้เงาหอนอนอะไรมันก็เรียนห่างออกจิตไปพอสมควรพอในี้าผ้าพอจัง ถ้าพูดหน้าก็ขึ้นมาหายหายใจได้แหละแล้วก็มันก็เป็นเขาอีกก็ชาตมันวุ่นวาไปวุ่นวายไปเอาหัตัวกาไปมันก็มันก็เป็นธรรมดามันมันอยู่นั่นแหละถ้าเราถูกทางมันคือมันเป็นอะไรโสดตายมันจะเป็นไงก็ตามไม่เราถือเดินมันอย่นี้แหละขอให้อยู่กับตัวรู้สึดไม่สนใจไมถจกไม่อยากไปเป็นกับความคิดเลยมันเกิดมาเรื่องไหนก็ตามให้มาอยู่กับตัวรู้ติดไป วันนี้ไม่ต้องเอาอไม่ไม่เอาแล้วนน ว, ว, วันนี่นยก็เดินเดินได้เฉพาะเม่เก ย, ยกขึ้นมาเนี่ยมันอยู่กับกะดุกตึกเดีมันมันอยู่กับตะดตึกกลับไปกลับมากลับมากลับไปวันนี้เนี่ยแต่คำองหนึ่งไปคำองสองคโมงไปเนี่ยมันมันมันได้รู้สึกขึ้นมามันก็สบายสบายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเห็นความคิด เี่ก็คิดแล้วก็ใหดูมันอะไรถืองงมาแล้วก็ดูมันย่าไปมันหลอกอันนั้นหลอกว่านี้ย่ย่าไปเที่ยมันเนีมันเป็นลูกบบกับลูบลูบลูน้ำลูอทีแรกนี่ก็ไปลูบลูบลูน้ําเนี่ยเป็นลูกเห็นน้าเนี่ยให้มันเห็นชัดอันนึงพ่อท่านสอนให้สอนดูๆๆนลูกดูน้ําำลราพ่อเราดีก็เหมือนกันเราพ่อ ตัวญดท่านก็เคกแล้วกันแล้วแล้ก็งเทียนเน่ยผลวงเทียนเนี่ยท sure hmm. he no, <wear hai> sí. <cre> ่านสอนให้ไม่ให้นี้ไปไหนอะให้อยู่กับตัวยูตัวเดียวไม่ต้องเอาอะไรเ่ยไอ้เกิดขึ้นมาเนี่ยอย่าไปเชื่อมันเมันเบามันจะเบามันบายมันเดินไปไหนเนี่ยมก็เห็นเห็นกับิดมันตร็นเนต่นนีได้อมกินฉพาะอย่างนี้ อย่าเพิ่งเื่อมันมันเป็นอะไรก็ให้พิจารณาเฉยอย่าเป็นผู้เป็นกับมันเออ่ยนั่นแหละมันให้ทําไปนั้นแหละอย่าคอยท่านบอกมาเมื่อไหร่ก็บอกเดินเหมือนเดิมให้ทําให้ขยันให้จิตตรูุ้ตึ ก, ต ก, ตกเอาไปเอามาก็ค่อยเข้าใจค่อยเข้าใจค่อยเข้าใจไปเข้าใจมากเเนนาม็เห็นรูปเห็นนามเห็นูโลกนามโลกเห็นรูปธรรมนามธรรม น้ำพกน้ำลกโลกนําโยกนําลูกโยกนี่เดนกายมีโยกโยกนี่ก็เนข้อตายน้ำน้าโูกนี่ก็คือกาคือคนลูกนี่เดกเยอีอันนี้น้ำพกเน่ยนะเห็นเห็นว่ามันเห็นด่เลไดะคุณโยมพอเห็นละคนลูกคนข้ออ่านะเดี๋ยวก็เดินไปดีอกดีใจขึ้นอกขึ้นไป แล้วก็เาตัวเบาตัวเดินไปก็สบายใจพอมนอนก็ค่อยหาออกเอาเราค่อยเห็นอูนนนนอ่นั่นแหละลมขยัขัดแย้งได้เกิดมานี่ะวเดี๋ยวเห็นอันนั้นออกมาลบเห็นเป็นนี้ออกมาลบเห็นเป็นทีมัติดมันอะไริฟดิดเ น, นี่ยเราไม่อยากให้มันนีอะลรอยางเง้แาอยู่นั่นแนละนี่นคอยเข้าดูจิตใจของตัวเอนั่นหะไม่นั่นะ ผู้บายอาจารย์ท่านสอนแม้เรานั้นอ่ะมันเลือนไปผู้บายอาจารย์ท่านสอนอ่ะก็เลยมาไปอยู่กับมันนั่นจะกู้เนี่ยมันจะอันตัวรู้ตัวมันเดียแล้วค่อยหายไปหายไปหายไปนานหายไปยังไงวัอันนี้จะแท้มันจะเราไม่หนี้จากมันมันมันมันหนีเราเนี่ยมันยังไงจะให้มันหนีเดินหามันแล้วันเนี่ยเดินไปเดินมาเพ่งแล้วเพ่งอีกจ้องแล้วจ้องอีกเกิด เหมือนหวัวเหมือนอะไรเขาเกิดจุดเกิดเสียบขึ้นมาท่อเนี้นหน้าอกเนี่ยแต่นน้นอกไม่ใช่นั่น น, นั่น น, นันันประเดี๋มันจะตายอ่ะแต่มันตันหายไจม่ได้เลยมันก็อยู่กับผมพิอไปถามอาจารย์ย่าเหอนียวมั่งเลยไงมันจะไปทิ้งจะไปจ้องมันท่านจะบอกแล้วแหละพอ ท่านบอกก็มางโดนตรงผมมันคิดไปแล้วก็เดินมองไปไกลๆคำว่าไม่ไม่ต้องไปกับมันมด้นะมาอยู่กัตรูึกมาอยู่กับตรึกบนนี้ไม่นีตัวรู้สึกลยควมคิกเข้ามาเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวรสึกเข้าอยู่นแัแหละเอาจนนันแหละมันเข้าใจ็นมันหยุดเนี่ยายข้างหลายข้องท่อมันจะใครเข้ามาเห็นผมปิดพยายาคตบหนึ่งทำให้ม่ดูนั่นแหละดูของคิดเนี เราอเนี่ยมันเ็นรูึกมันมันหยุดเนี่ยพอมันเป็นตั้งเนี่ยมันมันหยุดมันมันคิดต่ออีกพอแล้วเนี่ยพอดูไปนามันก็หายไปเองนี่ยที่แรกนะยังไม่คิดันนี้ค่อยเดินไปเดนไปทําผมกู้สกไปงเค่เข้ามาเเห็นเห็นตัเห็นตั้นี่ยม่ก็หนีถ้าเห็นถ้าเหม่ก็หนีไปที่รกมันเป็นมงียบแม่เด้อเราเล่น ควไมู่้สึเนี่ยเข้ายื่ที่เขาเนี่ยเขาจะว่ามันเนี่ยครัมันถูกคทางแล้วนะมันจะเห็นซักเข้าซักเท่าเราก็จะเบาตอนเบาต่อไปหร่อมันออกมาแล้วก็ดูมันออกมาแล้วก็ดูตอนนี้ก็มันอื่นก็เราคิดไปท่าอื่นหลงหลงไปแล้วก็เกิดอันอื่นขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกคราเีวก็เราไม่ต้องเอาอะไรอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ออก ไม่ไม่เอามันก็ห่างออกห่างออกบางทีก็ไป ต, ติดด้าเล็กๆนิห่อย เ, เ, เ, เ, เราขยันทางด้วยเพชนี่ขึ้นมาตะเพริแตะพูไปมันจะค่อยเป็นดีแล้วก็รู้จัก